โทษกับทุกท่านทุกชีวิตการได้ยินได้ฟังเพื่นส่วนประกอบกับการใช้ชีวิตประจำวันเรากำลังศึกษาปฏิบัติธรรมก็ให้ได้ยินได้ฟังเรื่องการปฏิบัติตัวเอง ได้หลายทางได้ฟังบ้างได้ทำบ้างได้เห็นบ้างได้สัมผัสบ้างเพื่อได้ดู้ได้เห็นจริงเวดล้อ <c> ม <oughs> กับการใช้ชีวิตประจำวันได้บทเรียน นอกกายนอกใจในกายในใจที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตมีการศึกษาก้วขวางในการปฏิบัติได้บทเรียนเยอะแยะ็นต้นไม้เป็นมิตรกับต้นใ ยิ่งเวลาเราอยู่ในที่สงบในปา่าวิเวกวิเวกอยู่ชีวิตเดียวยิ่งสง่างามอยู่ในกติอยู่คนเดียวผมเข้ากลางคืนมืดนอนงามไหมบ้านู่พนพ็โงงงดงามไหมานอนงามไหม วางใจวางกายวางระเบียบเรียบร้อยมีวัฒนะที่งดงามยิ่งงามยิ่งคนเดียวยิ่งงดงามเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวหรือเวลากลางวันเรานั่งอยู่ในที่ปริวิเวกเห็นนกเห็นว่าแลง แล้วก็เหมือนกับเพื่อนมิตรตัวเ จ, เ จ, เ จ, เจีย๊ยบตอ่อยมองมิตรภาพูเนี่ะเป็นสิ่งเวดล้อมที่ดีสําหรับการใช้ชีวิตของเราเหมือนกับ ก, การฝึกซ้อมก่อนใช้ชีวิตเ <c> พ <oughs> <c oughs> ื่อให้อยู่ใ น, เ ป, นเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นศีลเป็นธรรมนี่แหละครับใบลี่ ทำความดีไม่รับปะลี่ทำความชั่วเนการเปิดเผยตัวเองทุกโอกาสทุกสถานะกับการใช้ชีวิตเวลาที่เราชืิอจริงมันก็ง่ายเกิดเลยขึ้นมีโลกมันมีรสชาติเราได้เผยกมาแล้ว เป็นเรื่องอ้ายนอกจานักกีฬาที่ฝึกมาแล้วลงสนามชีวิตเราต้องมีสนามแ น, น่นอนเก็เจ็เจ็บตายติขิดเอนท า, าเสื่อมล่เสื่อมรถสนสุษย์อะไรต่างๆมากมายในโลกนี้ มีแต่ขกน้นาถ้าเราไม่เป็นนักกีฬาสักหน่อยทำให้กระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตถ้าเราฝึกดีดี่องอะไรง่ายง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่มีข้าวยีนักสองวันก็ยังไม่เป็นไรยังนิ่ง โล้มลื่นโล่งยุกไม่ขึ้นถุนตกอยู่ในชายคาสายคาน้ำฝนไหลลงใส่แต่ลุกก็ลุกไม่ขึ้นแล้วเจ็บปวดก็ยังไม่เป็นไรอยู่คนเดียว งูมานอนด้วยก็ยังไม่เป็นไรไปห้องนะ้ำปูคางใส่นันครูม่นไว้คุ้นเคยมันก็ยังไม่เป็นไรไม่ได้กระทบกระเทือนไม่ได้บ่น ห, หวทชุกสถานกกรณ์มองอรอยเป็นนี้เป็นเพื่อน ไปหมดแม่เขาจะคลางใส่เราเหมือนศัตรูเราก็ยังเป็นมิตรเขาอยู่เดินไปในปา่าหนูใหญ่วิ่งมาใส่คทางมาใส่พองหลังมาใส่กงหลังวิ่งมาเราก็ยังว่าไม่เป็นไรผู้กลมหนู ว่าเราไม่เคยเป็นศัตรูใครเป็นอะไรมาไม่ใช่เราทำกับเธอเราทาให้เธอเจ็บปวดหรือโกรธใครมาไม่เป็นไรเราไม่ทําอะไรให้ท่านแต่อดร้อนการวิ่งมาใส่ก็ไม่เท่าการว้อยากเข้ามาแล้วก็เดินถอยหนีไปแลยังวิ่งไล่ตามขู่อยู่ ว่าอย่างว่าไม่เป็นรายเป็นมิดการอะไรที่เราช่วยได้เวลานี่ไม่หมอจการช่วยแต่ทำท่าจะกัดเราเราก็ไม่ทำกับเธอหลบหลีกไปใช้แบบภาพคมนคิดเลเน่นไปนสนุกสนานดีมองอะไรมองแบบมิตรภาพ เห็นเสือก็ยังว่าไม่เป็นา ย, ยาเป็นเพื่อนกันเห็นงูน ก, กเ็เป็นเพื่อนกันบอกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันอยู่ในปลาคนเดียวไม่คุ้นเคยกับปา่าบรรยากาศเงียบสงัดหนาสอนทําท่าคันเลื้อนขันตัว อยากกันนอนห่มผ้าก็อะไรที่มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรธรรมดาก็หนาวก็เดินออกไม่นอนไม่ห่มผ้าลุกไปกอดต้นไม้เป็นมิตรกันเดินเข้าป่าเป็นมิตรกับธรรมชาติเหยียบใบตอง้อบขอนไม้ ดืนพิงต้นไม้เอาต้นไม้เป็นเพื่อนตัวที่เป็นเพื่อนถ้าต้นไม้ใหญ่ๆก็ถือว่าเป็นเพราะว่าเป็นแม่เป็นปูย่ย่าถ้าต้นไม้ต้นไหนเล็กๆก็ถือเป็นน้องเล็กลงไปเป็นลูกเป็นหลานไม่แ ต, ต่ยอดมองแบบไม่ต่ภาพคุ้นเคยไม่แปลกอะไรไม่เห็นหลยมีความแปลก ธรรมาชาติเหมือนกันหมดนี่มืเนี่ยเก็บตกสร้างสิวต ล, ลอมให้กับชีวิตของเราเองมันจะลาบลืน่นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเวลาเรามาปะลบความเปลี่ยนเลยจงกลมยิ่งงามเวลาเรายกมือสร้างจังหวะก็ยิ่งกดงามจงางงามงามคนเดียว งามเลยที่ไม่มีคนเห็นว่าเชิงงามอวดโคนจิตใจงามบางใจอย่างเป็นระเบียบเงยแข็งไม่อ่อนพอดีพอดีบางใจพอดีบางกายพอดีกิยามารยาทพอดีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในความพอดี ไม่เลือกทีรักมากที่ช้างหมูเนี่ยมิตรดีสังไหนดีทั้งนั้นตอนเรามาพ่้อมอย่างนี้เราก็พบอะไรก็นมิตรกันทั้งหมดไม่จต่งูก็เป็นมิตรกันเสือก็เป็นมิตรกันช้างก็เป็นมิตรกันมดมแมลงเป็นมิตรกันนี่คนเราเธอเธอจะไปเป็นมิตรกันได้ยัางไงา ยิ่งมีครูอาจารย์มีพระพุทธเจ้าพระทามคำสอนมีเพื่อนที่อยู่ที่นี่เหมือนกับส่งเสริมให้เราได้เป็นคนดียิ่งขึ้นจะชั่วไม่ได้เด็ดขาดอยู่ด้วยกันนี่ยิ่งส่งเสริมยิ่งมีกำลังพละงกำลัง กลเป็นธรรมะที่สนับสนุนจึงเป็ลหลงเพื่อนมิตรยิ่งเราได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวกับความหลงยิ่งเห็นของเท็จของกิ่งที่เกิดกับเรานะไม่เห็นความเท็จของของจิ่งที่เกิดกับเรายิ่งตาไม่เห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส จากเสียงที่ยินมันมีอะไรเกิดซ่อนที่มีสมมติปัญญยาดเห็นก่อยเห็นเต่นงูงูเห็นเตีนกายเห็นที่เกิดที่ดับเห็นที่ปุงที่เจ่งเห็นสมุทัยสังขารบางเพ่เป็นจริงเห็นปริมตณศัจจ่ชีวิตเราไม่เป็นอะไรมานานแล้ว เวลาพอใช้จริงๆได้บุทเรียนลองผิดก็เป็นบุญเรียนที่มีค่าควงถูกก็เป็นบทรเรียนที่มีค่าเราทุกข์ก็เป็นบทเรียนที่มีค่าแผ่นดินนี่หน้าอยู่โลกนี้หน้าอยู่มีแต่ประโยชน์ไม่มีครวางหนามไม่มีสิ่งใดที่เลวร้ายเลยในตัวนอกตัว บงบอกถึงความเท็จความจริงแต่ไม่มีทุกเราก็พ้นจากทุกไปได้ถ้าไม่มีความหลงแล้วก็รู้สึกตัวไปได้เหมือนกับบอกเราตทำสรนเราให้เราลิ่เหยียบขึ้นไปในที่สูงความหลงทาเราเหยียบไปทําให้เราขึ้นไปเหนือความหลงความทุกข์ทำให้เราเหยียบมันไป แลวเ่เราสูงขึ้นเรากรู้จักว่าเราสูงขึ้นเป็นที่วัดเป็นที่บ่งบอกเป็นเกณฑ์ที่วัดเกิ่งในความโลภของโกรธความหล ง, งเป็นเกณฑ์ที่วัดเรามีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นเกณฑ์ที่วัดเราเความเทิดความเพียงม่เห็นประจักษ์แก่งขึ้นมากับการใช้ชีวิต หมายรูปแบบเป็นมีโอกาสเป็นผูท้ที่มีโชคดีที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยหลายวดเรียนได้พบได้เห็นได้สัมผัสได้เปลี่ยนไลยเป็นดีนเวลามนหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็นรู้สึกตัวเป็นโชคดีที่สุดในช่วงนี้ไม่เสียหายเรื่องมันทุกข์ก็จะได้เห็นทุกข์ เวียนทุกข์เป็นผู้มีสติเป็นโชคดีที่ได้เห็นมันอย่างนี้ได้พ้นไปความหลุดพ้นเป็นวิถีชีวิตที่เป้าหมายเป็นธงชัยเป็นเบื้องหน้ายุ่ิโุคโอกาสอะไรอะไรก็เพื่อความหลุดพ้นต้องนั่นเนี่ยชีวิตเรามัานจึงสมควรที่เราได้เกิดมามีอวัยวะ เออด ม, มโมอย่างนี้มันก็ไม่ใช่กรมปั่นเดนิมพระอาจาร์ก็พูดกวามเทศกความจริงอย่างนี้มันทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้จา ก, การมีชิตมีที่จับมีที่แบกมีที่วางมีที่ยุ ค, ยคเยอะแยะการทำดีแต่การทำชั่วก็ยเยอะแยะ เราไม่รู้จักชใจมันถึงที่ควรทำความดีไปทําความชั่วก็ไม่บางชีวิตที่ใช้ชีวิตไม่เป็นเราทําความชั่วได้สําเร็จเสียดายเสียดายชีวิตของเราที่มีอวัยวะที่ให้ทําความดีแต่ทำความชั่วซะจิตใจ เป็นพาให้เราถึงว่าถึงขนเอาไปหมักงมกับอะไรจนเปื่อเพื่อนไม่มีสิ่งใดที่บริสุทธิ์เท่ากับจิตใจจิตวิญญาณแต่ใช่ไม่เป็น <c oughs> ก็หมักงมสุปกปกเปอือเพื่อนเป็นลูกก็เปื่อเพื่อนเวทนาก็เปื่อเพื่อนสันอยากก็เปอเพื่อน ขญยานเี่เหมือนเอาผ้าขาวมาถือไว้เอาเมื่อไปจับน้นมาลูบอยู่เรื่อยลูบอยู่เรื่อยลูบอยู่เรื่อยลูบอยู่เรื่อยสังขารขยันอยู่เรื่อยผงแต่งเรืเ่อยลูบเรื่อยมันก็ดำขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเรือยติดขึ้นมาเป็นมิน ญ, ญาณจากผ้าสีขาวกลายเป็นผ้าสีดำในสีดำที่มันเพื่อนนั้นซักได้ไม่ใช่นืัวแท้ แต่เดิมมันบริสุทธิ์อยู่ชีวิ์ของหลงมันเดิมผันคือความไม่เป็นอะไรตั้งแต่วันเกิดมาชีวิตไม่ชีวิตมีอยู่แล้วคือความไม่เป็นอะไรกับอะไรแต่ทเพ่ง เ, เป็นมามันใช่ไม่เป็นเจยเดิมผัดไว้เป้าหมายมงกุดทอมันไม่เป็นอะไรผมหลงมาทีหลัง ความทุกข์มาที่หลังขวงโกดบาที่หลังกิเลสตัณหาลาภมาที่หลังพวามวิจาราเบียดเปลียนเกิดเที่หลังความรักความจอบมาที่หลังไม่ใช่ควงมเดิมความเดิมนันไม่เป็นอะไรจึงมีเดิมขันไปที่เดียวเลยยังไงก็ต้องแน่นอนเรื่องนี้ ก็านีไม่พ้นถ้าไม่ถึงที่นี่ก็ถือว่ายังมีงานอยู่พราะหมายสูงสุดคือความไม่เปลี่ยนไหลของชีวิตเนี่ยอย่าปล่อยที่ยงอย่าให้ผ้าโอกาสในชีวิตหนึ่งนาทีสองนาทีให้เป็นธงชัยเอาไว้มันมีอยู่ได้สัมผัสได้อยู่ในขณะที่มันหลงแล้วก็ไม่หลง ไม่ความไม่หลงเลยยังช่วยเราอยู่ในขณะที่มันทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์ยังช่วยเราอยู่ทุกทุกวินาทีตอนนี้เราไม่มีชีวิตเหลือแล้วถูกบีบพันถูกแสกแงกับโรคภัยไข้เจ็บมากมายนี่ความไม่ทุกข์ยังช่วยเราอยู่แต่เราไม่ได้ช่วยสิ่งที่ไม่ทุกข์ไม่สำสน น, นมากจะทุกทนไปรเรื่องอื่นอามรู้จักตัวก็ช่วยเราอยู่ บางทีมก็ยังเข้าช่วยในทรงที่มันเกียนตายยังอึกขึ้นมาอย่างสูงเราเป็นอะไรรู้จักตัวขึ้นมามัยังช่วยเราอยู่เราช่วยไม่ทิ้งในวันห้ามีปัญญาอยู่กับชีวิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ช่วยเราอยู่ในกายในใจในธรรมชาติ เรามันนอนในร่างกายก็ธรรมชาติมันบอกรู้จักช่วยตัวเองเรามันหิวมันก็รู้จักช่วยตัวเองแต่จิตใจนี่ไม่รู้จักช่วยตัวเองมีถามอย่างเดียวแต่ก็บางทีก็รู้จักถอนตัวบ้างเคยไปกับนักเรีนจะไมเป็นหนุ่ม ไปที ay, ่ไหนปัญหาเกิดขึ้นไวหมดโชคเขืนว่าเป็นดักเหลงก็เลยบอกยังยังต่อยยังต่อยังเอาไหมชอบต่อยชอบตีไหมเอาไหมเอากับเราไหมเอามาท่าต่อเราก็ไปกับเขาเอาไหมยังยังยังชอบต่อยชอบตีเอาไหมเอากับเราไหมลองดูไหม ไอคนที่เป็นนักเด็ว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วไหนเอาแล้วเบื่อแล้วคนนั่งยังตอมตื่อเอาไหมเอาไหมคนนี้บอกว่าเบื่อแล้วคนเฉยๆก็ก็เบื่อจริงๆเขาก็หนีเมิอเฉยในขณะที่เขาพูดตั้เขายิ้ยิ้มยิ้มย้มนาทได้เบื่อแล้วไอความหลงเกิดขึ้นเบื่อแล้วไอความทุกข์เกิดึ้นเบื่อแล้วไอเฉลี่ยตั้หัเกิดขึ้นเบื่อแล้วเบื่อแล้ว มากับตัวมันจะสนุกนะของเทอของทึงยิย้มเลยเมื่อพายเรืแล้วมันทุกขก็คืจะมีความยิ้มในหัวใจดวงจิต ด, ดึกดึกขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาลูกตื่นขึ้นมาก็โดดได้เกลถ้าได้ตื่นแบบนี้หลวงพ่อพูดว่าจัเอะตื่น ตื่นงูก็โดดได้ไก่ถก็ไม่ตื่นกระโดดไปค่อยไก๋ะนั่นบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นการเปลี่ยนล่ายเป็นดีบางทีค่อยเปลี่ยนค่อยไปไม่รู้สึกตัวเลยว่าขึ้นสูงมือะไรโดยพวกกรรมฐานนี่ยมีสติไปเรื่อยๆมีสีเปน็นกายเปื่อนผู พอชมนานไปออกไปมาว่าต้องมีกิเลสที่ไปประกอบให้มันเกิดความรู้มันรู้ไปเองของมันเองไม่ต้องอาใชยกรรมคื อ, อาการะทาเป็นไปแล้วทำให้มันเป็น <c oughs> ไม่ใช่เรียนรู้นะยังสนุกอ๋อเถอะพวกเรามีโอกาสเต็มที่ไม่โอกาสเต็มที่ที่นี่ ใค่ไว้ที่อินไม่รับรองที่นี่เอวก็เต็มที่แต่ว่ายังยังเห็นเพื่อนทำงานแล้วก็หนักมากนะแค่นี้ก็พอนะอย่าให้หนักไปกว่านอี้ตายนะทำงานหนักๆแต่พระเนี่ยทำงานขยันเกินไปตายนะการบัญจัด ตายเพระมมาะำงานหาสมดีเพื่อนกันก็ตายเพราะทำงานนะเอ า, เอาหนักขนาดนี้เต็มทีแล้วอย่าให้หนักไปกว่านี้อีกเราไม่ใช่เอาเปรียบใครเราอยู่ที่นี่ไม่เอาเปรียบสังคมเรานั่งทำสมาธิหายใจเข้าหายใจออกสร้างเศรษฐกิจ ไม่ได้ใช่เลยพุ่มพ่วยเวลาเน่ยมันก็แพงขึ้นอะไรก็แพงขึ้นกาตลาดตัาไปมาอาหารก็จะแพงขึ้นเรามานั่งหายใจเข้าหายใจออกก็ชีดิ น, น่นยน้อยหย่าพุ่มปวย อ, อาาใช้ไฟฟ้าก็อย่อสุล้สุดร้อยประหยัดช่วยชาติเราไม่ได้ไปเลี่ยนอะไร ท่องคำไปช่วยชาติเหมือนหลบตามหาบวัวเราขยายใช้ชีวิตของเราประหยัดที่สุดชวนกันประหยัดลงแม่จะทำะไม่เลยเงินทองเมื่อเม็ดตินไม่ไมเห็นเป็นเงินเป็นทองก็ยังไม่พอต้องกลับมาหาใช้ชีวิตของเราให้มันประหยัดโดยเพราะในการปฏิบัติธรรมเลื่อยประหยัดดีไม่สโลว์ชุนลาย แต่เป็นการกินอาหารก็เรียบง่ายการใช้ชีวิตก็เดียบง่ายผมก็โกนมันทิ้งคิ้วก็โกนมันทิ้งไม่ต้องมีแชมพูมีอะไรมาเดีวนี้กอนใช้ชีวิตมันไม่ใช่สิงโบริโภคมันเป็นอวโภคมากกลัวสิงโบริโภค ร้านขายอาหารร้านขายขนมมีแต่ขยอยากอะไรต่างๆคืงองดมักปฏิบัติต้องรู้จักบปนนู้จักเช่าชีวิตที่พอดีพอดีในความถูกต้องรานใช้ ว, วิทุกส่วนถูกต้องทงให้เศรษฐกิจดี สังคมรีสุขภาพดีชีวิตรอบดีมั่นใจร้อยเปอซแต่ไม่เบียดเปลี่ยนอะไรในโบกนี้เม็ดมดิบเมดหินเม็ดสายจะไม่เบียดเปลี่ยนเป็นเพาเอากาศหมายว่าแต่ผู้คนยิ่งผู้คนเห็นเบียดเปลี่ยนไม่ลง เถึงอกเข็นใยเจ็บไข้ดีป่วยตา้ไปเหมือนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาช่วยกันอะไรพ่อช่วยกันได้ก็ช่วยกันให้มีชีวิตอีกเพื่อช่วยสิ่งอื่นัตทุกอื่นอย่าให้เป็นชีวิตที่ไปทําลายให้สิ่งอื่นๆเดืดดร้อนเพราะก่อนมีชีวิตของเรานี่คือเอกลักษณ์ของเรา ดิตรงไปดัใจใสเสมอบ่ได้ถือว่าเลาาบ่นอะไรบอกผิป่อกเข้ตกันแล้วกอนไม่ทีเดียวมีอะไรก็บอกก่อนพอช่วยกันได้ช่วยกันรารู้ได้บอกผิดบอกถูกต่อกันบอกวิธีปฏิบัติ บอกทางในการใช้ชีวิต ท, ทุกอย่างที่รู้สองนนรู้หนึ่งทุกคนเป็นครูทุกคนมีอะไรที่ดีอยู่ในตัวเราใครก็ต้องดีกว่าเราแน่นอนเห็นคนเดินมาข้างหน้ามองเลยว่าคนนี้ต้องดีกว่าเราเตียมตัวต้อนรับเตียมตัวยกมือไหว ก็เลยคิดว่าอั น, นี้มันอาจะไหนน่ารักน่าเกลียดมาได้คิดแบบนั้นจะเปนอะไรก็มองเขาว่าต้องดีกว่าเราแน่นอนคนหนึ่งไปหนองหันมนอาจจะบึ้งรถไปฉันเพลนที่น้องหานขับรถอย่างไ่อยบักน้อยขับรถไวเลยน้อยฉันเพนหนองหานเบ่ง <laughs> ไป ตำรวจโบกแน่นอนละว่อเขาจะับความเร็วนะนิ acne, uh ่งไว้นะเห็นเขาก็เปิดประตูรถทันทียกมือไหวยกมือไหายพราะตำรวจยืนหน้าก็จะกดกระจกลงยกไปน้อยบอกไอ้น่อยยกมือไหวไอ้เบี้ยเราก็นั่งนิ่งๆขับรถความเร็วเกินกำหนดโกมถองหลวงผิดกฎปล่อย หลวงพ่อแล้วก็ใช่เหรู้จะว่าเร็วมากแต่ว่าจะไปชันเพลหนงหารเนี่ยมันจะทันไหมเหลืออย่างไรรีบเ่ยค่อยๆหลบพาหลวงพ่อไปน่ะน้อกค่อยๆนะก็ไม่เห็นจับเลยเที่ยมตัวแม่ก็จะมาจับเราก็ยังเตรียมใจมาใช่ อยไม่ใช่ช้างนะเราก็มีความผิดใหญ่แล้วน้อยคห่ขับรถเร็วกวนไปนม่อวันละมีความผิดยกไปไหว้เขานมองแบบนี้มันจะเชื่อมโยงกันไม่กระทบกระเทือนไม่น่าท้าทายกันกตบพิเลตันหะก็อย่างนี้เราจักมันเราจักมัน บอกมันดีๆที่นี่ไม่มีอะไรไม่มีแช่อยู่ขอโอกาสขอขอโทษขอโท ษ, โทษจิริกที่ไม่มีที่อยู่ให้วังเคยขอโทษหนูทำให้เขาตกใจ พขเอากล่องมาขิดไปข่วงใส่หูของเามันจะเลื่อยมามันจะเลื่อมันเข้ามาในเตียงที่เรานั่งอยู่กระแต่ไล่มันมาสงสัยมันจะไปใกล้หลังกะแต่กะแต่ไล่มันมาทั้งวัวทั้งเมียมันแกกะหน้า ง, งูเลื่อยมาเรากัดหางงูก็เขินสู้พู่พี่พู่พี เราก็เห็นเราก็ตั้งอยู่สร้างชหวัอยู่ในผน้าห่มน้่นหนาวใชนไหกองชีวอนกุมหัวไว้เราเคลื่อนไหวมือในผ้ามันไม่เห็นมันก็เลื่อยมาเลาื่อนเห็นมันจะมากลัวมันจะขึ้นมาบนเตียงแต่แตล้วมันมาก็เลยเอาเกับกอง ไอ้ถูน้องหมูหมูชู้แต่แม่เบี้ยโคลงเขาก็อจิวรห่มอยู่แล้วขอโทษนะเราไม่ไม่ทำลายว่าจะบอกว่าเรานั่งอยู่นอย่างมานี้แต่ไม่โทรของท่านขอโทษขอโทษเออก็คุยแล้วก็แจ้งขอเนื้อ ปุ๊บไปปิ้งเขาก็ไเผเลยเ อ, เอขอโทษแม่แตงโมแตงมดก็ได้ทำให้เขาตกใจเสียใจใครก็รักเขามดแตงเนี่ยมันก็รักลูกรักโต้งบางทีก็ขอข อ, ขอที่อาศัยบัดให้ให้เราอยู่ใไปนั่งสร้างจังหวะอยู่ใต้ต้นไม้มดแตงเยอะ ใช่แต่ว่าแดงใช่เปลอาก็นา่งสร้างใช่ไแล้วก็ตัวนั่งจับตัวนี้เตะเลยพุทธเราไปนั่งอยู่โต้ไม้ที่เขาอยู่ขอนั่งด้วยเลยมองไ้เนี่ยมันไม่มีร่มมีร่มแต่ที่นี่นั่งชางมันก็ยังมองกิดมาอ๋อไต่ที่ไหนก็ไต่ไปเอาไตไปนะตัแรกก็ไม่ไม่ให้มันไต่บ้งจับแตงก็จับ ไล่แต่มดแดนก็เลยนั่งให้มันไต้ไต้ไปไต้มาแล้วก็ปล่อยผ้าแล้วมันร่อนนะแล้ว ก, กัดหัวนมเนี่ยโอ้เจ็บมากหัวนมเจ็บเลยไปเก็บไม่ได้กัดตื่นในบ้านนะแต่มันกัดตัวนี้เจ็บที่จุดนั้นบาทีก็ขอโทษมดแดงนะเป็นเรื่องสนุกสนานกับการใช้ชีวิตไม่มีอะไรเป็นศะัตรูกันรอยลอยนะ นนเราแท้ๆทำไมทําให้ตเองทุกข์คิดเฉยๆก็เป็นทุกข์มันไม่น่าจะทุกข์ความคิดนี่ไหมทุกข์ความคิดมีไหมนี่เชืีอดาตัวนี้ยนะไม่น่าจะทุกข์หรือสิ่งที่เราเป็นทุกข์ความคิดคนอื่นกขาไม่ทุกข์นะห้มองแบบนี้อะไรชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์เนาะ <laughs> ผมขวนใจเวลากับพระพ่อผมกัน